เจริญอรทุกท่านสบายดีไหม <g les> ถ้าไปถามครูบาอาจารย์นะไปเจอครูบาอาจารย์ไปถามท่านว่าสบายดีไหมโดนดูนะบอกถามแบบไม่มีสติไม่มีปัญญาต้องถามว่ายังทุกพอทนได้ไหม <g les> นักปฏิบัตินะก็าบางทีก็แปลก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 รู้เลยความทุกข์มาจากความอยากถ้าเรารู้แจ่มแจ้งแล้วใจก็ค่อยหายอยากจะอยากทำไมอยากเราทุกข์แต่มันก็ยังอยากอยู่ตลับใดที่ยังล้างความเห็นผิดไม่ได้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษตลับนั้นความอยากก็ยังเกิดได้อีกเพนการปฏิบัติเนี่ยในขั้นสุดยอดเลยมันจะมาอยู่ตรงที่เราสามารถรู้แจ้ง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 จิตใจก็จะดิ้นหาความสุขจะดิ้นหนีความทุกข์ไปเรยจิตใจที่ดิ้นหนีความทุกข์ดิ้นหาความสุขนั่นแหละจิตใจนั่นแหละกำลังหลงอยู่ในความปรุงแต่งความปรุงแต่งมีสามรูปแบบใหญ่ๆปรุงชั่วคนที่ปรุงชั่วนะเขาอยากได้ความสุขหรืออยากได้ความทุกข์คนปรุงชั่วก็อยากได้ความสุขใช่ไมอยากหนีความทุกข์เหมือนกันแต่สติปัญญาไม่พอ ก็เลยไปทําความชั่วไปปลุงความชั่วขึ้นมาคนทําชั่วก็อยากมีความสุขไม่ใช่คนทําชั่วอยากมีความทุกข์สติปัญญามากขึ้นก็ปรุงดีปรุงดีถาว่าปรุงดีนะรักสุขเกลียดทุกข์ไหมก็อยางรักสุขเกลียดทุกข์อยู่อีกพวกหนึ่งความปรุงชนิดที่สาชื่ออเนญชาพิสังขารปรุงว่างๆปรุงว่างๆ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 แล้ท่านไม่ไปหยิบเวยอย่างอื่นขึ้นมาอีกนะบาทีวางขันห้าแล้วก็ยังหยิบขันห้าได้อีกนะอย่างพวกเราถ้าวางด้วยสมาธินะมันจะวางเป็นคราวๆแต่ถ้าวางเพราะปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยวางแล้ววางเลยวางแล้วไม่หยิบอีกท่านบอกว่าพระริยะเจ้าทั้งหลายนีวางขันห้าไปแล้วนะเป็นภาระท่านบอกขันห้าเป็นภาระเป็นของหนักพระริยะเจ้าคือพระอรหันต์เนี่ยวางของหนักลงแล้วแล้วไม่หยิบเวยขึ้นมาอีกท่านก็พ้นจากทุกข์ทั้งปวง ตราบใดที่เรายังไม่ปล่อยวางความยึดถือในใกายในใจเราไปหยิบเอากายในใจเอามาเป็นตัวเราของเรานะความทุกข์ก็ studies, ยังมีอยู่ตราบนั้นทำยังไงจิตจะปล่อยไม่ยึดกายยึดใจได้ถ้าจิตเห็นความจริงของกายของใจได้จิตจะไม่ยึดกายยึดใจทุกวันนี้เราไม่เห็นความจริงของกายของใจกายนี้เป็นทุกข์ลว้วนๆเราไม่เคยเห็นเราก็เลยรักกายจิตนี้เป็นทุกข์ลว้วนๆเราไม่เคยเห็นเราก็เลยรักจิต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 เที่ยวเห็นานรกเห็นสวรรค์หลวงพ่อก็นั่งนะนั่นแต่เจ็ดขวบนั่งไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรแต่ น, นรกไม่ไปกลัวผีลืมไปว่าเทวดาก็เป็นผีนะคนโบราณเรียกเทวดาว่าผีเหมือนกันผีฟ้าอะไรเงี้ยเนี่ยนะสมาธิอย่างนั้นนะแต่ก่อนมีคนเดิเล่นเนี่ยสมาธิอย่างนั้นหรือไม่ก็สงบนิ่งเฉยเฉยนะไม่เดินปัญญาสงบอย่างเดียวสมาธิชนิดนั้นไม่เกือกวนเกี่ับการทํามิปัสสนามันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่ง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 แล้วก็เสร็จแล้วก็ชมครั้งที่สามได้พระอนาคาชมครั้งที่สี่ก็เป็นพระอรหันต์ชมครั้งที่ห้านนนะไม่รู้จะเป็นอะไรคราจริงไม่ได้เป็นอะไรจริตที่รู้ตัวจิตที่ตื่นจิตที่หลุดออกจากโลกของความคิดเนี่ยเป็นแค่จุดตั้งต้นสำหรับการทำมิปัสสนากรรมาฐานเท่านั้นเองเพราะั้นทุกวันนี้พวกเราเนี่ยจิตตื่นขึ้นมาเนี่ยนับจานวนไม่ถ้วนเลยพวกเรารู้สึกตัวไหมจิตเราไม่เหมือนเดิม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 นี่จิตมันคิดมันฟุ้งไปเรารู้ทันปุ๊บนะมันจะตื่นมันจะหลุดออกอย่างลกของความคิดไม่ยากไม่ยากทุกวันนี้คนที่ภาวนาแล้วตื่นขึ้นมาได้ น, ะนับจํานวนไม่ถูกเลยหลวงพ่อไปตามต่างจังหวัดนะงานนิมนตะ์เยอะมากเลยทุกวันนี้บางอาทิตย์นะ่ะอยู่วัดสองวันวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไปต่างจังหวัดไปที่โน่นที่นี่ในกรุงเทพอะไรก็ไปทั่วไปก็เจอคน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 หากอย่างนี้ก็ได้บางคนแยกแย а กจิตกับกายบางคนแยกจิตกับเจตสิกเจตสิกคือธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตเช่นความสุขความทุก <m dled stupid issors> iz, ข์ะถ้าเราเห็นว่าความสุขกับจิตเป็นคนละอานกันเนี่ยขันแยกแล้วนะถ้าเราเห็นว่ากิเลสกับจิตเป็นโคนละอันกันเนี่ยขันแยกแล้วบางคนบอกว่าดูไม่ออกว่าขันแยกหรือไม่แยกะแยกแล้วมันน่าจะร่างจิตมันออกจากร่างไปอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่ะไอ้นั่นแยกแบบไม่เอาไหนแล้วน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 อ้าต่อไปนี้ยิ้มเดี๋ยแค่หลวงพ่อพูดเนี่ยจิตมันขำใช่ไหมจิตมันขำ ม, มันบวบบวร่างกายมันยิ้มเลยเพราะจิตมันเปลี่ยนร่างกายมันก็เปลี่ยนนะอืมแล้วทําไมจิตมันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตมันก็เปลี่ยนเวลาเราเดินเดินไปเราเห็นคนที่เราชอบเพื่อนรักของเราจิตเราเปลี่ยนไหมเห็นเพื่อนรักเดินไปแล้วเห็นหมาบ้าวิ่งมาจิตเปลี่ยนไหม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 เป็นกองเป็นหมวดเป็นกองนะเหมือนกองกองกลางกองธุรการนะกองการเจ้าหน้าที่อะไรเี้ยนะแต่ละกองแต่ละกองสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราสมมติว่าตัวเราเป็นหนึ่งกลมนะมีห้ากองกลมเนี้ยมีห้ากองนะของเราบางคนก็กลมเล็กบางคนก็กลมใหญ่รนะดับหลวงพ่อกลมใหญ่ของบางคนก็หอมมากกลมเล็กหน่อยแต่ก็แบ่งเป็นหากองนะกองที่หนึ่งคือร่างกาย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 จิตเกิดปัญญานะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจพวกเราภาวนาบางทีก็ เ, เกิดความเข้าใจนึกออกไหมนานๆเข้าใจทีหนึ่งส่วนมากไม่ได้เข้าใจทุกวันนานๆจะเข้าใจทีเป็นอย่างนี้ทุกคนปัญญาไม่เกิดตลอดเวลานานๆเกิดทีหนึ่งนะหรือกิเลสกิเลสสิเกิดทั้งวันไหมเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงอะไรเกิดมากที่สุดโลภโกรธหลงอะไรเกิดเยอะที่สุดหลงเอะไร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 เวลาง่วงไม่นอนทรมานมันถือว่าปฏิบัติธรรมอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นอุบายเพื่อจะดัดนิสัยตัวเองในบางครั้งบางคราวเช่นขี้เกียจมากนักก็ไม่นอนตะกละมากนักก็ไม่กินเป็นครั้งเป็นคราวนั่นเป็นการดัดนิสัยตัวเองฝึ ก, กจิตฝึกใจให้เข้มแข็งแต่ถ้าจะเจริญปัญญานะพวกเซนเขาเคยสอนกันนะบอกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนฟังแล้วสนองกิเลสไหมหิวก็กินง่วงก็นอน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 เดี๋ยวเขาก็สุขเดี๋ยวเขาก็ทุกข์เดี๋ยวเขาก็เฉยเฉยเราไม่แทรกแสงขันเช่นไม่ไปบังคับจิตว่าห้ามทุกข์ไม่ใช่ไปบังคับจิตว่าต้องมีแต่ความสุขไม่ใช่ไปบังคับจิตว่าต้องเฉยนิรันดรถ้ามุ่งไปบังคับจิตไม่เรียกว่าไปรู้ขันลนะแต่เป็นการไปแทรกแสงจิตไปแทรกแสงขันหรือจิตจะเป็นกุศลจิตจะเป็นอกุศ ล, ลกุศลอกุศลทั้งหลายเนี่ยเป็นสังขารขันเป็นขันหนึ่ง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 หลวงพ่อเคยผิดไปเรียนจากหลวงปู่ดุลครั้งแรกนะเมื่อ6กกุมภาสองห้าท่านบอกให้ดูจิตเคยทําแต่สานาปานสติมาตั้งแต่เด็กทําอยู่22ปีนะเรื่องสมาธิก็ชํานาญอยู่แต่เดินปัญญาไม่เป็นหลวงปู่ดุลบอกให้ดูจิตท่มามหัดดูดูไปแล้วจิตมันแยกออกจากอารมณ์พวกเราตอนนี้ใครจิตแยกอารมณ์เป็นบ้างใครเคยเห็นยกมือสิยกมื อ, ย ก, มอยกให้มันกล้าหาญหน่อย นักปฏิบัตินี่ขี้กลัวขี้เกียดสารพัดขี้เหยาะเยาะใหญ่แยะกล้าเลยไม่กลัวหลวงพ่อไม่กลัวคูบาาจารย์เลยนะบางองค์เขาเริ่อมลือว่าดุนะเข้าไปหาไม่มีกลัวอาจารย์มหาบัวเลยยังไม่กลัวเลยเข้าไปกลัวอะไรท่านด่าก็ด่ากิเลสไม่ได้ด่าเรานะท่านจะมาด่าเราทําไมนเนี่ยพวกเราปรากฏแยกแยกได้ใช่ไหมจิตมันแยกออกจากอารมณ์มันตั้งมั่น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 เดินจงกรมจะตายแล้วเพราะาเดินไม่เหมือนมนุษย์เดินท่านแรกต้องทำคลึ้มก่อนเพื่อความเทนะ่วางได้ที่แล้วก็ค่อยเดินเดินโวยบางคนเดินทั้งชั่วโมงนะยังได้สองเมตรเองเมื่อยตายเลยนะเราแทรกแสงเวลาจะหายใจนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยแทรกแสงแลนะแทรกแสงเอเริ่มต้นพระพุทธเจ้าบอก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 รู้สึกไหมขยับตัวเสร็จแล้วต้องขยับใจตามอย่างเราจะเดินจงกรมเราขยับขยับเราก็ต้องทําใจให้ขลุมขลุ่มเนี่ยเราค่อยเดินเดินเอ อ, เ อ, อนะมันทั้งบังคับกายมันทั้งบังคับใจนะทํายังไงเราจะเห็นความจริงของกายของใจอย่าบังคับมันดูอย่างที่เขาเป็นถ้าดูอย่างที่เขาเป็นเราจะเห็นเลย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 จำได้เนี่ยหมายถึงเราไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งนะเรามีข้อมูลเดิมอยู่ชัดเจนแนะเรารู้เลยว่านี่คือสิ่งนี้เช่นเราขับรถไปเราเห็นไฟแดงเรารู้ว่านี่สีแดงเราจำได้ว่านี่สีแดงแล้วมีความจำซ้อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะสีแดงแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ให้ไปสีเขียวแปลว่าไปได้นะสีเหลืองแปลว่าให้รีบรีบไปอย่างี้ใช่ไหมเจอไฟเหลืองต้องรีบไปก่อนแหละ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 นี่นะนี่เรียกว่าหมายรู้เอาคาดคะเนเอานี่ความจําได้ความหมายรู้นะและยังมีอีกอย่างหนึ่งนะความหมายรู้แบบเพี้ยนเพียนเพราะฉะั้นเรื่องสัญญาเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะเรียนยากบางคนไม่เข้าใจไปแทรกแสงสัญญานะแทรกแสงรูปยังไม่เท่าไหร่นะแทรกแสงเวทนาย่างไม่เท่าไหร่แทรกแสงสังขารไม่เท่าไหร่แทรกแสงจิตไม่แท้แทรกแสงสัญญาเนี่ยถึงกระบาา้าง่ายๆ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 เรามีสัมมาทิตฐิขึ้นมาแล้วเรารู้ทุกแจ่มแจ้งแล้วขันนี้ไม่ใช่ของดีขันนี้ไม่ใช่ของวิเศษรูปเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ประกอบเป็นขึ้นเป็นตัวเรานี้มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษเพอ ร, รู้ว่าขันเป็นตัวทุกข์เนี่ยสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติงั้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่ละสมุทัยมันนะความอยากหมดเลยความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่มี ความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ยัไม่มีทําไมไม่อยากให้มันเป็นสุขก็รู้แจ่มแจ้งว่ามันเป็นตัวทุกข์ทาไมไม่อยากให้มันพ้นทุกข์ก็รู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์มันหนีทุกข์ไม่ได้มันเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่พระละหันเราหนีว่ากายไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์ไม่เกี่ยวนะคือจิตใจของท่านอะไม่เสพความทุกข์ความปรุงต่างๆมันก็มีแต่มันไม่ปรุงชั่วเพราะมันไม่มีเหตุความปรุงดีมีนะแต่จิตท่านไม่เข้าไปเสพอารมณ์ความสุขมี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 อ, อหนูรู้สึกว่ามันมีอะไรปนกันอยู่ในความรู้สึกง่วงซึมทันทีที่รู้เนี่ยหนูเห็นจิตที่ไปรู้ความรู้สึกเงืง่องง่วงซึมมันแยกออกมาจากกันแล้วมันก็ดับไปอ่ะเจ้าค่ะอืมนั่นแหละกระทั่งง่วงๆนะง่วงตัวนั้นง่วงด้วยโมหะถ้า ง, ง่วงด้วยโมหะเนี่ยพอสติระลึกน่าก็แยกออกไปเลยค่ะแต่ถ้า ง, ง่วงเพราะร่างกายไม่เกี่ยวนะแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาเลยจ้ะเออไอ้นั้นแสดงว่าซึมเพราะโมหะอืมนะ แต่ถ้าร่างกายอ่อนเพลียนะดูยันะยงไงก็ซึมอยู่งั้นอันนั้นซึมทางร่างกายไม่ใช่กิเลสดีออดูไปให้ทํำไปดูต่อแต่อย่าอยากเห็นนะ ะ, ะถ้าอยากเห็นทีทีอยากเห็นชัดๆัดอยากเห็นต่อตลอดเวลาจะกลายเป็นจ้องเป็นเพ่งไปแทรกแสงขัน<ะ>อย่าไปจ้องมันดูมันทํางานไปปล่อยให้มันทํางานไปแล้วก็รู้ทันมันจ้าขอบพระคุณเจ้าค่ะการรักษาการครับ คือผมไม่ได้ส่งกันบ้านของพ่อนานแล้วประมาณสี่ปีครับคือสปีนี้ก็ปฏิบัติมาตลอดนะครับก็คือการปฏิบัติของผมก็คือดูดูกิเลสในชีวิตประจำวันครับก็ดูกายบ้างอะไรครับเห็นเห็นกายแยกออกจากใจไหมกายกับใจเป็นโคนลานรู้สึกไหมครับก็เห็นอยู่ครับเห็นไหมกิเลสกับจิตเป็นโคนละนกันครับเออถ้าเห็นได้ก็ดีก็ทีนี้ก็อยากถามว่าผมติดอะไรอยู่ไหมครับ ตอนนี้เพ่งไหมล่ะตอนนี้ไม่ได้เพ่งครับตอนนี้จิตแน่นแน่นหรือจิตโปร่งโปรตอนนี้แน่นเพราะตื่นเต้นครับโอตื่นเต้นในอันหนึ่งนะครับไม่อยากตื่นเต้นแล้วไปบังคับมันอ่ะ <c oughs> มันก็เลยแน่นนั่นแหละเพ่งหรืครับวิธีวัดง่ายๆว่าเพ่งหรือเปล่านะดูแน่นไหมรับแน่นเน่ยเพ่งแน่นอนผมผมมีมีคําแนะนําอะไรที่แบบเชิงลึกไหมครับให้แบบปฏิบัติที่ดีกว่านี้ครับคื อ, คอทุกวันได้ทําในรูปแบบไหม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 ทั้งๆ ท, ท, ที่เราทําสม่ําเสมอและแล้ยังเสื่อมให้ดูเราจะรู้เลยเราไม่เก่งเราเราบังคับไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรที่เราบังคับได้จริงเลยนะครับอดทนตัวนี้นะมนจะก้าวหน้าได้เร็วขึ้นการรมัรการครับค่ะรำประการหลวงพ่อคะ่ะโยมฝึกดูกายดูใจจะดีโยมมีคําถามสามข้อนะคะพอพอโยมดูกายดูใจดูไปดูมามันก็เหมือนมีผู้รู้อ มาเด่นดวงอยู่ข้างหน้ายเ<ถ> น, นะคะ แ, ล, ะแ ล, ะล้วละครนี้ญญพอมันมันยังกับว่าเป็นแบบพระราชาที่แบบขึ้นนั่งบันลังเสร็จแล้ว<อ>ทุกสิ่งแบบเงียบกริบอะไร<อ>คล้ายๆอย่างนั้นแต่นี้โยมก็อ่าอันนี้มันเอ็เวียโยมก็ก็เลยแบบไประลึกรู้ไอ้ตัวที่เขาแบบว่าเงียบกริบที่<อ> ท, ที่ที่นั่งบันลังอยู่<อ>แล้วมันจะมีความรู้สึกที่ นิดหนึ่งที่มันเป็นแวบนิดหนึ่งที่มารู้สึกตัวนี้นะคะอ่าเสแล้วคําถามอันที่สองนะคะโยมก็ตื่นมาตอนเช้าโยมก็มองไปที่หน้าต่างที่ครัวก็ก็เป็นสภาวะที่แปลกๆที่มองเห็นออต้นไม้ใบหญ้าบ้านทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มันก็มนกไม่ไม่ได้เข้าไปแบบอือะไรของมันโนะยมไม่รู้จะอธิบายกัเหมือนเหมือนว่า มันก็ the way it is ของมันอย่างนี้ค่ะท่านแล้วยมก็ไปเดินในใน sub division ในในหมู่บ้านนะคะมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เห็นหมาเห็นรถเห็นแมวเห็นอะไรก็ก็เหมือนว่ายังแบบว่ามันเท่าๆกันอย่างนั้นนะคะเราไม่รักษานะคขาเห็นยมก็เห็นโอเคค่ะแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เห็นอีกเลยนั่นแหละถ้าอยากเป็นไม่เห็นอีกแล้วอ่าแล้วก็คําถามที่สามก็คือ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 โยมก็ไม่นานโยมก็รู้สึกตัวแบบขยับนิ้วทำอะไรแล้วรู้สึกตัวคราวนี้พอเวลาโยมนอนโยมก็ได้ยินว่าอ๋อทำกายอะไรให้ให้ทาใจแบบให้สบายสบายรู้หรือเคาะมือหรืออะไรเพื่อให้รู้ระลึกตัวระลึกรู้สึกตัวได้แต่คราวนี้พอโยมหลับตาทีไรมันจะเป็นในลักษณะยังกว่าเห็นเหมือนคล้ายๆแสงนิดนึงแล้วมันค่อยๆแบบว่า มารวมกันมารวมกันเป็นน่ากลัวมากเลยท่านเป็นอย่างน้าปีศาจหรืออะไรสักอย่างยมก็โอ้ไม่ก็เนี่ยยมก็เลยอ๋อไม่หลับไม่หลับตามองดูเพดานอืแล้วก็พอมองดูเพดานคราวนี้แม้แต่ลืมตายอยู่ไอ้แสงเหล่านั้น่ะตอนาน่อย่าไปทําอย่างนั้นค่ะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้รู้ทันที่จิตนะเพราะงั้นพอนาไปแล้วสมมติว่าเราเห็นโลกนี้ราบๆไปหมดเลยนะ ใจเราพอใจรู้ว่าพอใจหรือ ใ, ใจเราเฉยเฉยเป็นอุเบกขาหรือว่าใจเฉยเฉยพอมันจะถูกดูดรวมลงไปใจเรากลัวรู้ว่าใจเรากลัวนะแล้วอะไรกันนะอันหลังเนี่ยรวมความลงมาที่จิตนี้่หลคยนะหเห็นแสงขึ้นมานะมารวมกันอย่าไปดูที่แสงให้รู้ทันว่าจิตกําลังกลัวอยู่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ทันที่จิตของเราเองนะนั่นแหละจะผ่านไปได้ แม้ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราไอ้นี่ก็กลัวไอ้นี่ก็กลัวนี่ก็กลัว ก, กลัวไปหมดเลยนะใจไม่สงบสักทีเพราะฉนั้นอย่างมันกลัวขึ้นมารู้ว่ากลัวเลยความกลัวขาดนะจิตก็สงบตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นสมถะนี้ก็ต้องทําแม้ว่าจะแบบอันนั้นก็ต้องผ่านให้ได้สมถะไม่ยากอย่างนั้นหรอกนะไปอ่านพุทธประวัติไปอ่านประวัติภาษาโวกอ่านอะไรเงี้ยนะจิตใจได้แช่มชื่นจิตเข้าเคลียกับธรรมะก็เป็นสมถะเหมือนกัน ไม่ใช่น้อมจิตไปเห็นสงเห็นแสงถ้าอยู่ไกลครูบาอาจารย์ไปเล่นองั้นไม่ค่อยเหมาะหรอกแล้วเราจะมีอะไรจะต้องไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันจิตนะเป็นคนช่างคิดนะคนช่า ง, งคิดเนี่ยกรรมาฐานที่เหมาะคนช่างคิดคือการรู้จิตตนเองดูไปด้วยแสงสริงสีเสียงอะไรไม่เ อ, เอาเอาที่จิตอันเดียวแต่อย่าไปจ้องอยู่ที่จิตความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นที่จิตแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปรอดู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 แต่ว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าจิตเป็นกลางต่อทุกข์ไหมถ้าเป็นเห็นความทุกข์แล้วจิตไม่เป็นกลางต่อทุกข์นั่นแหละทุรนทุรายถ้าเห็นความทุกข์แล้วจิตเป็นกลางนะจิตจะคลายความยึดถือในกายในใจมันทำยากค่ะหนูมีความสุขว่าหนูมีโทสะคือมันถูกบีบคั้นแล้วหนูยังไม่เป็นกลางแล้วหนูเหนื่อยหนูทุกข์อะค่ะทุกวันนี้หนูมีความจริงๆหนูมีความสุข่คนอื่นเยอะมากเลยนะแต่หนูทุกข์มากเลยค่ะหลวงพ่อแล้วทุกข์เความคิดของเราไง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 ถ้าใจเป็นกลางเราจะเห็นสุขกับทุกข์เนี่ยเท่าเทียมกันแล้วต่อไปะจะเห็นเลยว่าคําว่าสุขเนี่ยไม่มีมีแต่ว่าทุกข์มากกับทุกข์น้อยค่ะคนเข่าเห็นว่าทุกข์น้อยคือความสุขถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้นะใจจะหมดความยึดถือถ้าใจหมดความยึดถือเนี่ยใจจะเป็นอิสระใจะจะโปรง่งร่งเบาเป็นตัวของตัวเองมีความสุขที่สุดเลยต้องฝึกเอา ใหการเห็นทุกข์เนี่ยเป็นทางผ่านไปสู่บรมสุขคือพานิพานหนูต้องนั่งสมาธิให้มากกว่านี้ปะคะนั่งยากมันใช่หนูน่งยากเพราะว่าหนูช่างคิดมากใจหนูก็โดดลดเต้นมากะแล้วหนูต้องทํายังไงคะหลวงพ่อหนูคอยรู้สึกร่างกายบ่อยๆหน่อก็แล้วกันเอาให้หนูดูกายเออเอาร่างกายมาช่วยเรานอกจากช่างคิดเรายังรักสุขรักสบายรักสวยรักงามด้วยหนูดื้อไหมคะหลวงพ่อดื้อ ดือด้อหนูก็รู้สึกว่าหนูพยศมากเลยบางทีหนูเหนื่อยกับคือบางทีเห็นว่าจิตมันพยศมากเลยอะค่ะจิตแต่ละค น, นะไม่เหมือนกันเราเลือกไม่ได้จิตของเราสะสมมาในทางจะดือเพราะงั้นการจะทากรรมฐานจนมันหลุดพ้นนะต้องยอมเหนื่อยนะค่ะม้าพยศเนี่ยต้องทรมานแต่ทรมานฝึกสําเร็จแล้วเป็นม้าดีค่ะดีกว่าม้าเชื่องเชื่องม้าขี้เกียจม้าไม่มีแร ง, งดื้อไม่เป็ น, ไ, ปนไร หลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมคะอดทนไว้นะแล้วอย่าอยากสําเร็จเร็วๆค่ะขยันทํำใช่ค่อ า, อ ย, าอย่าอยากให้มันสําเร็จเร็วๆสังเกตไหมมันขัดแย้งใช่ค่ะอยากสําเร็จเร็วๆแต่ขี้เกียจปฏิบัติใช่ค่ะใช่สินั่นแหละปัญหาต่อไปขอบคุณค่ะคุยกับหลวงพ่อบางทีถูกเปิดโปงไม่ว่ากันเนาะ <c oughs> ส่งการบ้านในรอบหเดือนค่ะก็ะอพอเห็นไตรักบ้างว่ามันเกิดดับแล้วก็มันบังคับไม่ได้แล้วก็รู้สึกจิตใจมันเกาะเกี่ยวกับความทุกข์ความสุขน<อ>้อยนะลงอะค่ะค่อยฝึกไปด้วยแล้วถ้าจิตใจเราเ้าเฉาเหี่ยวเหีห่ยวเราก็รู้ทันน ะ, ะจิตใจที่รู้สภาวะเนี่ยมันจะต้องสดชื่นเบิกบานแจม่มใสน ะ, ะถ้าใจเราบอกเห็นสภาวะแต่ใจเราซึมซึมเสื่องเสื่องอนี้แสดงว่ายังไม่ถูกทีเดียว ใจต้องรู้ต้องตื่นต้องเบิกบานแต่ว่าบางครั้งมันรู้สึกมันใจมันแห้งแหงมันหนีโล่อนั่นแหละใจมันหนีนะมัยังไม่ได้รู้จริงใจมันยังเหี่ยวแห้งอยู่อย่างนี้ต้องเพิ่มอะไรบ้างนะคะฮก็ก็เราความรู้สึกให้มันสดชื่นหน่อยเรียกบิวหน่อยบิวหน่อยเริ่มต้นนะเชียร์มันหน่อยให้มันมีเรียวมีแรงขึ้นมางั้นจะดูมันอย่างเงี้ยเห็นใจรัก <c oughs> เห็นอย่างนี้ไม่ไหวหรอกนะสู้นะแต่บางครั้งมันรู้สึกท้อแล้วแบบมั น, น, นไม่อยากต่อคะ่ะเออท้อไม่เป็นไรท้อก็ไม่เลิกใครฝือฝันภาวนาเขาก็ท้อกันทุกคนเลยแต่ท้อแล้วไม่เลิกท้อรู้ว่าทอ้อใจพ่อแปะเล้าความรู้สึกขึ้นมาคือสู้คือสู้พรนะพุทธเจ้ากว่าจะบรรลุท่านลำบากตั้งหกปี อดข้าวอดน้ำํำเราเคยภาวนาอดข้าวไห ม, <c oughs> ไมเคยภาวนาอดนอนไห ม, <c oughs> ไมสู้ท่านไม่ได้สักอย่างเลยเห็น <c oughs> ไหมโออท่านทำซะเต็มที่ท่านยังใช้เวลาหกปีเราก็ทํามั่งเลแล้วก็ช่วงเนี้ยมันมันขี้เกียจมันไม่ได้ทําในรูปแบบ <c oughs> แ, แต่ว่ามั น, น, นรู้สึกผิดมันก็เลยไปทําก่อนนอน <c oughs> แล้วก็พอทําก่อนนอนมันจะรู้สึกว่าทั้งคืนมันไม่ได้นอนนะคะนั่นแหละมันเอาใหม่ไปนอนให้เต็มที่ก่อน ก่อนนอนนะกินน้ำให้มากๆแล้วตื่นมาฉี่แล้วก็ามาภาวนาเอาประเภทนียใจห่อเหี่ยวนะไม่ได้ภาวนามนะันไหลวันละแต่กิวตี้เอาซะหน่อยมันจะไปสู้กิเลสได้ยังไงนะต้องสู้นะธรรมะไม่ใช่ของคนอ่อนแอนะต้องสู้เอา น, ะนามส ก, การค่ะหลวงพ่ออ่า โยมมีคำถามสักสามข้อนะคะเอแม้แต่คนละหลายหลายข้ออ่ะว่ามาโ <laughs> ยมปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็มีมีความรู้สึกว่าเพลงก็เลยหยุดหันไปฟังเพลงคลาสสิกบางครรนหลวงพ่อเคยสอนให้ฟังเพลงคลาสสิกนะ เขาใกล้จะบ้าแล้วหลวงพ่ อ, <laughs> พอก็เลยถามแล้วชอบทำอะไรบ้างบอกชอบฟังเพลงคลาสสิกบ uh huh. อไปฟังเพลงคลาสสิกให้สบายใจก่อน uh huh. ของเราถ้าภาวนาแล้วอึด อ, uh huh. อ, อัดเหรอฟังอย่าฟังเยอะนะ <laughs> นิดเดียวเดี๋ยวมันลุกขึ้นเต้นบัลเล่มจะไปกันใหญ่ <laughs> แล้วก็ต่อด้วยมารุกาย อ, อันนปัจจุบันนะคะ uh huh. ตอนแรกก็ลบมากอย่าเอาทุกขณะ หลังมารู้ว่าทุกขนามันเยอะไปมันม<า>เครียดมากไปมากไปไม่ได้หรอกก็เลยหันมาเป็นบางขนาอจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าไปฟังชีดีของหลวงพ่อบทที่สามที่มียีิบสองตอนนะคะอ่าแล้วก็มีความทุกข์ทางกายเยอะมากมแต่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็หายอะไรนะความทุกข์ความโกรธพ อ, อจะรู้ว่าโกรธ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 นะเพราะงนั้นโยมไม่ต้องทำกรรมฐานมากถ้าโยมทำกรรมฐานมากโยมจะเครียดเพราะ้เราทำกรรมฐานน้อยๆเอาแค่ว่าตอนนี้ใจเราเป็นสุขเรารู้ตอนนี้ใจเราเป็นทุกข์เรารู้ตอนนี้ใจเฉยๆเรารู้เอาแค่นี้นะแล้วจะดีะต่อไปน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 เออไม่ไม่ค่อยเท่าไร่ค่ะแต่แต่รู้ว่า<ส>หันไปสนใจออมากสนใจรู้ทันว่าจิตกําลังสนใจรู้ทันจิตไปค่ะแล้วก็เออจริงๆแล้วปัจจุบันทํางานค่อนข้างเครียดสูงอะค่ะเอ อ, เ อ, อบางครั้งก็ไปสนใจการของจิตบางครั้งเออมันเหมือนเย็นวาบตรงกลางอกเ อ, อสบ่อยอะค่ะไม่เป็นไรให้มันเย็นไปมีความสุขดีเ อ, อจิตมีสมาธิขึ้นมาบางทีก็เย็นนะสบาย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 แต่หาดูกิเลสไปเรื่อยนะกิเลสมันหลายชั้นหลายเชิงซับซ้อนค่อยๆเรียนรู้มันไปตอนนี้มีกูเก่งบ้างยังก็มีแทกเข้ามาบ้างอะค่ะคอยดูนะมันจะถึงเวลามันจะทํางานบ้างแล้วล่ะค่ะครับจริงจักรรมธรรมสกันหลวงพ่อครับอผมฟังซีดีหลวงพ่อมาได้ประมาณเดือนหนึ่งครับก็สิ่งที่หลวงพ่อพูดโดยบ่อยก็คือว่าดูจิตได้ให้ดูจิต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 ถ้าเราไปจ้องเฝ้าอยู่ที่จิตมันกลายเป็นเพ่งจิตก็คุณครับการาบนมชาตการหลวงพ่อค่ะจิตมันก็ยังไม่มีกำลังแล้วก็ไม่ถึงฐานแล้วมันก็แต่มันจับอารมณ์เวลาที่มันเจอสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยค่ะมันจะเข้ามากระทบใจแบบแบบเข้ามาเข้ามาแทรกซึมได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็เห็นแล้วมันก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันคือตัวเรามันจะคอยรู้สึกว่ามันคือตัวเรา แต่ว่าเวลาที่ที่เราอยากจะที่เราจะรู้สึกว่ามันถึงฐานเลยเ่มันไม่มีอะไรที่มันเข้ามาถึงถึงใจอย่างนั้นนะคะมันก็มันก็จะใช้ความคิดมันใช้มันเป็นการมันเป็นการคิดช่วยมันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานะคะแล้วมันก็เลยพยายามแก้ไขไปด้วยมันก็ดิ้นรนมันก็เพิ่มเพิ่มการปฏิบัติในรูปแบบ ซึ่งวิหารธรรมก็ยังไม่ได้อีกเนื่องจากว่ามันก็ไปจับจดไปสับสนไปหมดเลยเเอาสักอย่างสินะใช่คือคือตอนเมื่อก่อนเนี้ยค่ะมันก็ยังมีพุโทโธมาช่วยวพว<อ>ก<ช>ฟุงการมากเอาพุโทโธสิแต่ว่าตอนที่นั่งเพิ่มเวลาในรูปแบบเนี้ยค่ะมันกลับมามันเคยกลับมารู้สึกที่ลมหายใจแล้วมารู้สึกที่กายมันทำให้รู้สึกตัวมากขึ้นก็เลยเริ่มงงว่าอย่างนี้เนี่ยเราจะไปเอาตรงตัวไหนเราไม่ทิ้งพุโทโธนะ ส่วนว่าอยู่เฉยๆนี่ยเราพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราไปนั่งสมาธิเราก็นั่งพุทโธไปแล้วถ้าจิตมันเกิดไปรู้ลมหายใจด้วยก็เอาลมกับพุทโธบวกกันเข้าไปเลยแต่ว่ามันมันชอบที่มันรู้เลยว่ามันชอบที่คือตัวกายเนี่ยค่ะมันจะดึงดึงสติกลับมาได้ถ้ามันเข้าไปอยู่ที่กายเพราะมันจะกลายเป็นปัจจุบันมันจะไม่ไปฟุ้งมากถ้ามันเป็นที่กายอย่างเงี้ยนะคะเราต้องกลับมาคืนที่พุทโธอีกทีหรือเปล่าคะ คือพุโทโธไปนะแล้วก็เห็นกายมันเคลื่อนไหวพุโทโธเป็นแบ็คกราวไปท่านนั่นเองเพื่อไม่ให้จิตมันหลงไปนานเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็คือต้องเอาพุโทโธยืน<อ>พืพ้นให้หมด <นะ S 2> ต้องเอาพุโทโธอย่าไปเอาอย่าไปทิ้งซะใช่เพราะไม่งั้นมันก็จะไปเปะปะไปเรื่อยๆไม่มันเหมือนคนไม่มีบ้านอยู่นะเอาพุโทโธเป็นบ้านให้จิตอยู่แล้วเวลาที่เวลาที่จิตมันกระทบอารมณ์แล้วมันไปอินเข้าไปนะฮะเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ย มันไม่ได้ย้อนกลับมาดูใจมันไม่มันไม่ถึงจุดที่มันเข้ามาเป็นอางไม่เป็นให้รู้ให้รู้ฐานว่ามันอินไปแล้วนะแล้วมันจะกลับมาเองตรงที่กลับเข้ามาถึงฐานเนี่ยไม่ได้กลับมาเพราะดึงเข้ามาจิตมันจะเข้ามาเองมันเข้ามาได้เพราะเรารู้ว่ามันออกจากฐานไปแล้วขออันนี้กับเรียนถามว่าตอนนี้กําลังมันเพิ่มขึ้นม้างหรือยังกําลังก็มากขึ้นแต่ไม่พอต้องพุทโธนะอย่าทิ้งพุทโธนะของคุณอ่ะกับนั่นไห นมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งแรกนะคะเพิ่งปฏิบัติธรรมมาได้ประมาณปีหนึ่งฟังซีดีมาได้ประมาณหกเจ็ดเดือนค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นกลางหรือเปล่าหรือมันกดอยู่นะคะเห็นมันนิ่งๆนะคะมันนิ่งๆเจออะไรก็นิ่งหมดมันเหมือนมันไม่ค่อยทุกข์อะค่ะอ๋อมันมันกดอยู่ไหมคะกดมากจะแก้ยังไงคะมันอยากดีค่ะ มันอยากรู้ชัดๆมันอยากอะไรอยากปฏิบัติพอมันอยากมันเลยไปจ้องเอาไว้วิธีปฏิบัติสบายใจสบายอย่าไปบักคร่งเครียดเกินเครียดไปอันนี้เครียดไปใช่ไหมคะเครียดไปทําให้มันสบายมีความสุขนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจของเราไปจิตใจเรามีความสุขเราก็รู้จิตใจเราเครียดขึ้นมาแน่นๆขึ้นมาเราก็รู้ไปดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไป ควรดูกายหรือดูจิตดีค่ะดูจิตไปก่อนจิตกเราเคิดเก่งขอบคุณค่ะนะครับก็ส่งกานบ้านการครบแล้วนะครับโอกาสสุดท้ายนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาหลุงชินยังนี้กล่าวคำถวายทานที่มีผู้นำมาถวายครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไตรยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แต่พระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชว์ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาละนานเทินยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวามวายโตทินนังเปตานางอูปะกปฏิยิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวาสมิจฉตุสัพเพปุเรนตูสังกปปะ จันโทปนร า, าสโสยถธามณิโชธิระโสยะธา ส, าสพีทิโยวิวัตชันตูสัพรโรคโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภาวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังุทาปจัยโนจัตตาโรธรมาวัันตีอายุวันโนสุขังพระลังสด